หลวงพ่อก็คุยมาเดือนกว่าเนาะเออพวกเรามีการพัฒนาในความรู้สึกตัวรู้ที่ละเอียดมากขึ้นไหมอะไรพวกนี้เนาะเมื่อวานที่หลวงพ่อเปิดของอาจารย์กำพลเออเห็นโยมหนุ่ยนุยก็เข้าไปฟังด้วยนี่นะฟังจนจบใช่ไหมของอาจารย์กำพลนี่เคยก่อนนี้เคยฟังเทป ฟ, ฟังซีดีก่อนไหมเคยอะไรไหมไม่เคยค่ะอ๋อไม่เคยเนาะ อาจารย์กำพลคือของจริงคือท่านเป็นอมภพตั้งแต่อายุ24เนาะเป็นอาจารย์สอนพร ะ, ะที่อ่างทองแล้วก็ประสบ ป, ประสบอุบัติเหตุตอนสอนว่ายน้ำเนี่ยมาตั้งแต่อายุ24 เสียชีวิตอายุ6กสมั้ง60กว่าวันนั้นน่ยท่านก็คือร่างกายป่วยมาตลอดนะนอนติดเตียงตลอดเลยแต่เรื่องเี่ยวว่าท่านคืออย่างว่าเนาะท่านก็ปฏิบัติธรรมอะได้หลักแล้วเพท่านปฏิบัติจริงจังเพราะว่าคนไปไหนไม่ได้อะนอนกับเตียงอนะะเนาะก็เลยเจริญสติฝึกสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะสุดท้ายท่านก็คงเกิดปัญญาแหละแยกอะไรได้หมดว่ากายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตการแต่จิตไม่พิ ก, การนี่ที่ท่านพูดเนาะแล้วก็ท่านลาออกจากความพิการลาออกจากทุกข์ คือมันมันผมันของจริงอะ่ะมันมันของจริงเลยอะ่ะคน <punched. S 1> คน <lost çalış promotions> <own> ป่วยอ่ะนะเอามันไม่เห็นจริงๆอิงนะคะใช่ทีนี้อย่างเราเนี่ยตอนนี้ร่างกายของเรามันมันสุขภาพมันดีอยู่มันแข็งแรงเรายังไม่เคยผ่านอารมณ์ที่มันชนิดที่แบบทุกทนได้ยากเนาะแม้กระทั่งพลัดพลากจากของรักของชอบใจของอะไรเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ไงเช่นอะไรนาญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเสียไปเนี่ยพ่อแม่ พี่น้องพัรยาคู่สมรสอะไรเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยเนาะเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องฝึกเอาไว้แหละเพราะว่าที่เราฝึกทั้งหมดเนี่ยก็คือฝึกเพื่อให้เกิดการปล่อยวางถ้าฝึกได้นะถึงขั้นเนี่ยมันปล่อยวางได้จริงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีปัญหากับใจแต่ถ้าเราฝึกน้อยเราประมาทเห็นว่าเออล่างกายเราแข็งแรงยังไม่มีอะไรต้อง แต่พอเกิดปัญหาจริงเนี่ยมันมันจะแก้ทุกไม่ได้มันจะมีปัญหาทางจิตใจก็ให้เราเริ่มฝึกตั้งแต่ที่มันมันมีอาการเล็กๆน้อยๆอันออแหละเออเช่นเออมีคนเขาด่าเขาว่าอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นในใจละ่ะเนี่ยต้องมีสติรู้รู้ว่าอา่ะมันมีสิ่งเกิดสิ่งดับในใจแล้วอเงี้ยหรือว่าร่างกายมันป่วยเจ็บไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นมะเร็งอะไรเนี่ยที่มันหนักๆๆอย่างเงี้ย นอกจากมันทุกข์ทางกายแล้วเนี่ยจิตใจมันมันทุกข์ตามไปไหมพวกเนี้ยเนี่ยมันเป็นเป็นสิ่งที่ต้องต้องนำมาพิจารณาเนาะแล้วก็เพื่อก็ปฏิบัติเพื่อให้มันแบบเหมือนกับว่าให้มันมีภูมิตั้นทานนะมีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วก็ค้ามทนทุกข์ไปได้ทีนี้อย่างพวกเราถ้าคนไหนอาจจะเคยมีประสบการณ์เรื่องความป่วยมาแล้วอาจจะป่วยมากๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเเรียกว่าได้เห็น ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในตัวเองแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันทบทวนได้นี่ยเนาะทบทวนว่าเออตอนที่ป่วยหนักเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจิตใจมันเป็นยังไงมันกังกวลกังวัยมันมีความทุกข์ไปด้วยไหมอย่างเงี้ยมันก็เป็นบทเรียนสอนสอนเราได้แหละทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ต่อยอดเอาว่าเออเพื่อที่จะให้มันไม่ให้มันคือไม่ให้จิตใจเป็นอย่างที่มันเคยเป็นเนี่ยก็ต้องเนี่ยฝึกเจริญสติไป จนจิตมันยอมรับได้แล้วก็เรื่องของอคนที่มีประสบการณ์<ม>เช่นคนใกล้ชิดเนี่ยได้ตายไปอย่างเงี้ยหรือไม่ตายแค่ป่วยเนี่ยเราทุกข์ใจไหมถ้าเราทุกข์ใจเนี่ยอันนี้ก็สอนเราแล้วว่าอ๋อใจยังเป็นอย่างนั้น<ม>อย่างนี้อยู่ทีนี้เพื่อที่จะข้าสิ่งพวกนี้ไปได้นี่แหละก็คือหลักของการฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวตามที่เราคุยกันทุกวันนี่แหละเอะเพื่อที่จะ มันมันจากทุกมากก็ให้มันเหลือทุกน้อยหรือจากทุกน้อยมันพ้นทุกไปเลยเนี้ยอันนี้ที่หลวงพ่อมาคุยกันทุกวันเนี้ก็คือเน้นดูกายดูจิตเพราะทุกมันก็เกิดที่กายใช่ไหมอ่าจิตเออในจิตมันก็มีทุกทุกเกิดที่จิตทีนี้ถ้าเราเห็นทุกบ่อยๆทุกอะไรเกิดขึ้นก็เข้าใจได้ว่านั่นคือทุกนั่นคือทุกมันก็จะมีการเห็นเห็นทุก แล้วก็จะแจมแจ้งในทุกแจมแจ้งก็คือได้แต่รู้ทุกแต่ไม่ต้องมายึดทุกขมาเป็นตัวเป็นตนรู้แจ้งในทุกขแต่รู้เท่าทันว่าทุกเนี่ยมันเป็นของไม่ควรยึดก็เลยให้ได้แต่รู้ทุกขรู้ทุกรู้ทุกเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังปรากฏอะไารมณ์นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสภาวะทุกนะมันมีแต่ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกขแล้วไม่มีอะไรเกิด ไม่มีอะไรตั้งอยู่และไม่มีอะไรดับไปเพราะนั้นสิ่งที่จเจริญให้มากคือมีสติรู้รู้ทุกขโดยเฉพาะทุกปัจจุบันถ้ารู้เท่าทันมันก็จะเป็นผู้รู้ผู้รู้ผู้เห็นไม่เข้าไปเป็นทุกขการไม่เข้าไปเป็นทุกขเรียกว่าหลุดพ้นได้หนึ่งกันแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้นุกถึ่งมันเหมือกว่าความทุกขนะค ะ, ะกับความสุข จริงๆมนุษย์เราก็จะเลือกสุขส่วนใหญ่นะคะแต่จริงๆรพ่อเรามองบ่อยๆเราจะรู้ว่าสุขมันก็คือทุกข์เหมือนกับหมอเนี่ยเขาเขาเปรียบว่าจริงๆเนี่ยเชื้อมาเรงใน ใ, ในมนุษย์เรามีกันทุกคนเพียงแต่ว่ามันจะถูกกระตุ้นเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยมีเชื้ออยู่แล้วถ้าถูกกระตุ้น ul, บ่อยๆมันก็จะเติบโตนะก็เหมือนกับความทุกข์หรือว่าความสุขของเราแต่ความทุกข์เนี่ย ม, มันเปรียบเสมือนว่าทุกคนเน่ยเกิดมามันต้องมีอละทุกข์ เกินได้แต่ว่าเราจะไปกระตุ้นมันหรือเปล่าก็เหมือนมะเร็งเนี่ยมีอยู่ทุกคนอยู่แล้วบางคนก็เป็นมากเป็นน้อยหรือว่าไม่เป็นเลยไม่แสดงอาการนแต่ว่าเราไปให้ค่ามันหรือเปล่าหรือไปกระตุ้นถูกมันหรือเปล่าก็คล้ายๆกันนะความทุกข์ก็เช่นกันทีนี้เรื่องของการมีสติเนาะสำเพชัญญารู้ตัวรู้ตัวในปัจจุบันนะหลวงพ่อก็อาจสมมติมาจี้ในจุดสําคัญสําคัญเนี่ย เช่นบอกว่าการฝึก ค, ความรู้สึกตัวเนี่ยฝึกจากอะไรบ้างหลวงพ่อเอาย่อๆเนาะบางทีหลวงพ่อพูดพูดเนี่ยก็กระชับดีท่านบอกว่าดื่มทําพูดคิดให้รู้สึกตัวดื่มตอนที่ดื่มดื่มอะไรก็ไหดื่มน้ําดื่มนมดื่มอะไรเนาะดื่มให้มีสติรู้สึกตัวว่ากําลังดื่มทำนะหมายถึงว่ากําลังทําอะไรนะที่ร่างกายใช้ร่างกายเนี่ยไปทําเนี่ยเช่นไป ไปยกของไปกวาดบ้านไปรีดผ้าล้างจานถูบ้านอันนี้เขาเรียกว่าเอาร่างกายไปทำเมื่อร่างกายไปทำก็ให้รู้สึกตัวว่าร่างกายเนี่ยกำลังทำอย่างนั้นอยู่ให้รู้สึกตัวทีนี้พูดเนี่ยที่เราพูดกันทุกครั้งที่เข้ามาห้องขับเราพูดทุกครั้งเนี่ยตัวนี้ฝึกสติได้เป็นอย่างดีเหมือนกันก็เพียงแต่ว่าเออเมื่อพูดเมื่อกาลังพูดอยู่ก็รู้ได้ว่ากาลังพูดเนี่ยตรงนี้คงฝึกพอจะพูดเนี่ยก็ฝึกอ่า พูดแล้วหรือไม่พูดเพราะว่ามันมันง่ายไงเพราะว่าถ้าถ้าเราจับสักเรื่องหนึ่งเนาะเช่นเนี่ยตอนเนี้ยอย่างโยมนั่งฟังอยู่เนี่ยโยมไม่พูดเนี่ยมันก็รู้ได้นะว่าเออยังไม่พูดแล้วก็พอโยมจะพูดอ่าตรงนั้นแหละก็ฝึกสังเกตคือให้รู้ตัวก่อนแล้วก็พูดก็พูดไปเรื่อยพูดไปไปไปไปไประหว่างพูดเนี่ยมันก็คงลืมบ้างเลยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยได้มีเขาเรียกว่ามีการตั้งเนาะตั้งใจตั้งมั่นเอาไว้ที่จะรับรู้ถึง ขณะที่กําลังพูดหรือก่อนจะพูดแล้วก็คิดคิดนี่ละเอียดกว่าพูดนะเพราะว่าพูดนี่คือมันล้นออกมาจากจากใจแล้วเนาะมันพูดทางปากแต่ถ้งคิดเนี่ยมันคิดอยู่ในใจนะคิดอยู่ในใจเนี่ยมันมีตั้งแต่คิดแบบหยาบหยาบก็คิดละเอียดจนกระทั่งว่ายุกยิกยุยยุยจนกระทั่งว่าไม่รู้มันคิดอะไรแต่มันคิดตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกสติกับการรู้ความคิดได้ จริงๆอะถ้าฝึกทีละอย่างมันไม่ยากนะหลวงพ่อเคยเคยลองมาทีละอย่างแล้วไม่ไม่ยากแล้วก็เรื่องทพูดคิดอะประมาณแค่นี้ยมันเหมือนจะครบทวนแล้วนะเนี่ยท <c oughs> ีนี้อย่างอย่างอสมมติว่าจะดูอดูความคิดตรงๆเนี่ยมันดูยากแต่ถ้าสมมติว่ามามาฝึกกับการพูดนะอหลวงพ่อจะจะลองยกตัวอย่างเนี่ยพูดก็หมายความว่าตอนเนี้ยให้รู้อยู่แก่ใจว่ายัางไม่พูด แล้วพ อ, อยังไม่พูดเนี่ยโยมจะทําอะไรก็ได้จะเดินจะนั่งจะนอนจะทําการทํางานได้หมดเลยโยมจะอยู่บนท้องถนนบนรถบนลาเนี่ยแล้วก็ให้มีแต่สติอยู่ว่าตอนเนี้ไม่พูดคือรู้อยู่ไงเออไม่พูดไม่พูดทีนี้พอพอรู้ว่าไม่พูดทางปากแล้วนี่นะทีนี้ต่อไปก็จะเห็นเห็นทางจิตทางใจว่าถึงปากไม่พูดนะแต่ทางใจมันพูดไม่หยุดไอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเห็นจิตคิดละเออเห็นความคิด ตอนนั้นเนี่ยการเห็นความคิดเนี่ยอย่าดูตรงๆแต่ให้ดูเรื่องของการไม่พูดดีกว่ามันจะง่ายดีไม่พูดไม่พูดแล้วก็พอไม่พูดนะบางทีมันท่องในใจเนาะมันก็บอกว่าไม่พูดไม่พูดไอ้ตรงที่ท่องในใจนั่นแหล ะ, ะเห็นความคิดเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้ามันคิดเรื่องอื่นก็ <c oughs> ก, ก็จะเห็นง่ายง่ายๆๆยง่าอย่างเงีย้ยตอนนั้นเนี่ยฝึกตรงนี้แหละแล้วยิ่งฝึกฝึกรู้ฝึกรู้ความคิดเนี่ยมันมันดีมากเลยเพราะว่าความคิดเนี่ยถ้าเราไม่รู้นะเรารู้ไม่ทันนะ มันชักลากมันชักนําให้ทํำนูน่นทํานี่ไปหมดเลยแล้วก็กระทั่งบางทีก็ไปทําทําไม่ดีเนาะทําชั่วทําอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราเห็นมันก่อนเนี่ยมันก็จะมีตัวสติที่คอยยับยัง้งตัวเบรกตัวห้ามไม่ให้ไม่ให้กระทําำทีนี้พอเราได้ได้หลักเนาะได้หลักเห็นความคิดแล้วต่อไปเนี่ยความกลัวต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดอะ่ะแหละกลัวตายกลัวผีกลัว หรือว่ามีความวิตกกังวลเรื่องงานเรื่องการพวกนี้มันมันอยู่ในเรื่องของความคิดทั้งหมดแต่ถ้ารู้ความคิดรู้ว่ามันกําลังคิดแค่นี้มันก็จะหลุดพ้นออกจากความคิดได้คือมันจะแยกมันจะแยกเป็นเป็นส่วนๆก็คือว่าความคิดก็อย่างหนึ่งแต่รู้เนี่ยมันก็อีกอันหนึ่งนะแล้วเราก็จะพบเลยว่าคิดเนี่ยไม่ใช่รู้คิดเนี่ยไม่ใช่รู้รู้เนี่ยไม่ใช่คิด อันเนี้ยคือมันจะทําให้รู้จักสภาวะขึ้นมาว่าเอาอเนาะขณะใดที่มันคิดไอ้นั้นเนี่ยไม่ใช่รู้ไม่ใช่รู้แน่นอนพอรู้เนี่ยคือเจ้าตัวเนี่ยจะรู้จักแล้วว่ารู้เนี่ยมันมันเป็นสภาวะอีกอีกอันหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นพอคิดก็รู้แล้วก็พอคิดก็รู้เนี่ยแสดงว่าทําให้รู้จักรู้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ไอคิดคิดใหม่ก็รู้ใหม่คิดใหม่ก็รู้ใหม่ เหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดในวันก่อนบอกว่าคิดคําว่าพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธอันนี้ก็คือความคิดใช่ไหมแล้วก็หยุดหยุดพุทโธแป๊บหนึ่งพอหยุดพุทโธมันก็รู้ว่าหยุดแล้วแล้วก็พุทโธต่อแล้วก็รู้ว่าพุทโธตรงเนี้จึงทําให้รู้จักเป็นอย่างดีว่ารู้เนี่ยไม่ใช่ความคิดแล้วรู้เนี่ยไม่ใช่การหยุดด้วยนะเพราะว่าเวลาหยุดเนี่ยยังรู้เลยเพราะนั้นรู้ก็ไม่ใช่หยุด พอเราแยกเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะฉลาดแล้วมันจะเข้าใจเลยว่าทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นให้รับรู้สิ่งนั้นแหละไม่ใช่รู้แต่รู้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้แต่รับทราบได้แต่รับรู้เออแล้วก็ต่อมาเราก็พิจารณาอีกว่ารู้เนี่ยคุณสมบัติของรู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยมันไม่ได้เป็นคิดมันไม่ได้เป็นหยุดมันไม่ได้เป็นการกระทำมันไม่ได้เป็นการเดินไม่ได้เป็นการนั่งไม่ได้เป็นการดื่ม ไม่ได้เป็นการอะไรทั้งหมดเลยมันก็เป็นรู้ไปแต่รู้แบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันยังมีเรารู้อยู่อยู่ไงเพราะเราเนี้ยเป็นผู้รู้ว่าความคิดไม่ใช่รู้รู้ไม่ใช่ความคิดอันเนี้ยมันยังเป็นเรารู้อยู่เพราะฉะนั้นจะต้องเห็นตัวเราอีกทีหนึ่งเมื่อเห็นตัวเราว่าเราเป็นเมื่อเห็นตัวเราว่าเราเป็นผู้รู้เรื่องนั้นแล้วอ่ะนะ แล้วก็ให้เพิกถอนความเป็นตัวเราเสียว่าไอ้ตัวเราเนี่ยคือตัวตายนะเป็นตัวที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นตัวที่เน่าเปื่อยผุพังยึดถือไม่ได้แล้วก็วางตัวเราที่เป็นผู้รู้นี่แหละเมื่อวางเสร็จแล้วมันก็พ้นจริงๆเลยตรงเนี้ยพอวางตัวเราก็คือขันหนะ้าเนาะขันห้าถ้ากับว่าวางหมดเมื่อวางหมดมันก็เป็นความหลุดพ้นหลุดพ้นได้เพราะอะไรเพราะรู้เรา แต่ตรงรู้เรามารู้เป็นยังไงอีกก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกอ่ะก็คุยก็ต้องมาแตกต้องมายกตัวอย่างกันอีกเนาะที่พูดอันนี้เหมือนกับพูดให้ฟังว่าเออลำดับของมันก็คือต้องปฏิบัติแบบที่หลวงพ่อว่ามาก่อนถอยๆมาเลยเรื่อยจนกระทั่งพบตัวเราที่เป็นผู้รู้เ <c oughs> มื่อพบตัวเราเป็นผู้รู้เสร็จแล้วเรียกว่ารู้เราเ <c oughs> มื่อรู้เราเสร็จแล้วก็คือวางไม่ยึดตือเราก็จบตรงนี้ สวัสดีค่ะกลับนมัส ก, การหลวงพ่อด้วยความเคารพเจ้าค่ะก็เผล เ, เมื่อกีอก้ได้ฟังตอนที่หลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องเวลาที่เราเจอความทุกข์โดยที่อาจจะยังแบบอ่าเรายังไม่สามารถตั้งสติได้นะคะก็บอกเลยว่ามันเป็นเป็นความทุกข์ที่จริงที่ทุกข์จริงๆอ่ะแล้วก็ได้ฟังตัวอย่างที่ท่านยกถึงท่านอาจารย์กำพลที่ว่าเป็น เป็นเอามาพาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ ส, ส่วนตัวของเอ็กเองเนี่ยความทุกข์ที่สุดในชีวิตที่ที่ผ่านมาคือส่วนคือปกติเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีความทุกข์ใจนะอันนี้อันนี้พูดแบบไม่ได้โลกสวยนะคะคือเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาจจ ะ, ะด้วยความที่ ครอบครัวเราค่อนข้างอบอุ่นครอบครัวเราแข็งแรงแล้วมันก็เหมือนกับว่าส่งผลให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยโดยที่ไม่ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องทุกข์ใจอะไรเท่าไหร่ต่อให้เจอเรื่องทุกข์ที่มันเป็นยิบยีบ่ย่อยๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเรารับมือได้โดยโด ย, โดยที่ไม่มีปัญหามากนักค่ะแล้วก็ผ่านพ้นไปได้แต่ว่ามันมีเรื่องทุกข ที่ทเมื่อกี้ท่านหลวงพ่อพูดพอดีว่าเราเวลาที่เราสูญเสียบุคคลเป็นที่รักที่อยู่ในชีวิตเร า, าค่ะเอกเลยสะกิดขึ้นมาว่าอันนี้แหละคนพบแล้วว่าเนี่คือทุกทุก์ที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเกิดมาจําความได้ก็คือเรื่องของการที่ต้องสูญเสียคุณพ่อค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ท่านก็จากไปก็เป็นเวลาแปดปีแล้วแต่ว่าตอนแรกๆอะ่ะบอกเลยว่าทําใจรับความทุกข์นี้ค่อนข้างลําบากมากเพราะว่า ไม่เคยคิดว่าว่าจะต้องจะเจอแต่ว่า ท, ทั้งทั้งที่เข้าใจรู้ทุกอย่างนะะรู้อยู่ในศาสนาพุทธคือรู้หมดว่ า, เ, าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติ ะะแล้วก็ทุกคนก็ต้องเจอไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไม่พัดพลาคหรือจากจากสิ่งเป็นที่รักหรือบุคคล น, นั้นเป็นที่รักรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าพอถึงการปฏิบัติจริงในแง่ของการที่เราจะรับมือด้วยสติเนี่ยบอกเลยว่าน า, นาทีตรงนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะยากนะคะพอเราทุกเนี่ยเราก็เหมือนกับมันมันเหมือนกับโมเมนต์นั้นเนี่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้อะคือใจเราเนี่ยมันอยู่ที่ อยู่ที่ที่ตัวเราเองจริงๆว่าต่อให้ใครมาปลอบต่อให้ใครมาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าใจเรายังยึด นะคะเราก็ยังคิดถึงไอ้ความทุกข์ตรงนั้นนะ่โดยที่ไม่ปล่อยเนะี่ยมันก็คือจะทุกวนไปอยู่อยู่ร่ำไปอะค่ะจนกระทั่งอ่ามานั่งคิดกับตัวเองว่าเอ๊ะเราจะทุกข์จะเสียใจจะแบบว่าคิดถึงพ่อจะมานั่งแบบร้องไห้อยู่ตอนนั้งคืนแบบบางทีเวลาที่คิดถึงท่านอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะดีแล้วนะเพราะว่าเพราะว่าก็คิดเอาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องจากกันหมดนะ่ะ แล้วก็เราเปลี่ยนความทุกข์นั้นเน่มาเป็นมาเป็นปรับ mindset ใหม่มาเป็นมาเป็นอีกมิติหนึ่งว่า อ, อย่างน้อยเนี่ยคือคุณพ่อก็อยู่ในในตัวเราครึ่งหนึ่งกับแม่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าใช้เวลาที่เหลือตรงนี้กับความทรงจำนะคะแล้วเอาความทรงจำที่ดีๆที่แบบคุณพ่อได้สั่งสอนอบรมเหมือนกับว่า ้อท่านก็อยู่กับเราทุกวันเอามาปรับใช้ปรับให้ให้ใหใหชีวิตมันมันเป็นสุขพ่อแนา่จะแฮปปี้มากกว่าที่ที่เห็นเรามีความสุขแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่อะค่ะก็ยังมีคุณแม่ยังมีพี่ยังมีหลานยังมีอะไรในชีวิตมีสัตว์เลี้ยงนะคะที่ให้เราไ ด, ไ, ดได้ได้ได้ได้อยู่ด้วยด้วยความรักความเมตตาแต่ว่าเราก็คลายใจแล้วว่าต่อจากนี้เราก็จะไม่ยึดติดคือจะไม่ไม่ไม่ไมยึดเ อ, เอาเอาความรักตรงนี้มาทาให้เราทุก เราจะมองทุกอย่างว่าสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องจากกันแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะไม่ค่อยทุกเรื่องหุ่นพ่อแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียใจเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วก็รู้สึกว่า เ, เราก็ก็ทำหน้าที่ของลูกอย่างดีที่สุดแล้วก็ทุกคนก็เดี๋ยวก็สังขารก็จะ จากกันไปแล้วตอนแรกๆเนี่ยยังยังไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเหมือนกับว่าไม่ได้มีการารับรู้ข้อมูลนะคะที่ที่เหมาะสมะตอนนั้ น, นก็จะอธิษฐานตลอดเลยว่าเนี่ย ชาติหน้าฉันใดยังยังอยากจะเกิดอีกชาติหน้าฉันใดคือขอให้มาเกิดเป็นลูกคุณพ่ออีกซึ่งเป็นการคิดอธิษฐานที่พลาดนะในในจุดตอนนู้นและพอมาได้ฟังท่านพระอาจารย์หลายๆรูปนะคะแล้วก็ <c oughs> การยนานมิตรนะค ะ, ะเก็สงสัยเรื่องตรงนี้ก็จะถามนะแล้วท่านท่านก็จะอธิบายว่า อย่าอย่าอธิษฐานจิตแบบนั้นสิให้ให้ลองเปลี่ยนใหม่นะคะให้บอกว่าถ้าตราบใดที่เหมือนกับเรายังต้องมีรู ป, ปรขันที่เรายังต้อง ว, ว, วนเวียนอยู่ในสังสารวัตยังไม่สามารถหลุดพ้นนิพพานอะไรได้เนี่ยก็ให้เปลี่ยนคาอธิษฐานใหม่ว่าเหมือนกับถ้าถ้าเราต้องเกิดเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ได้พบเจอกับกัลยาณมิตร นะแบบเช่นคุณพ่อนะคะแล้วกออ็ขอให้ได้เกื้อกูลต่อกันแต่ไม่ต้องบอกว่าต้องกลับมาเป็นพ่อลูกอะไรคือไม่ยึดตรงนั้นแล้วนะคะแล้วก็อันนี้สเต็ปล่าสุดที่เคยได้ยินมาท่านพระอาจารย์รุ่นหนึ่งท่านก็ได้อธิบายบอกว่าออคือให้ตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดเลยเวลาที่อธิฐานจิตอะ่ะให้ไปถึงยอดเขาเอเวอเรสต์นู่นเลยก็คือให้อธิฐานจิตว่าให้ให้สามารถเข้าใจธรรมะนะแล้วก็ มีเป้าหมายสูงสุดก็คือการหลุดพ้น นิพพานนะไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของรูปประคันไม่ต้องมาวุ่นวายกับสังสารวัตรอีกต่อไปเลยพ่นีค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยก็เลยก็เลยอ๋อได้ได้รับสิ่งดีๆจากจากการที่ฟังเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็การวางใจการปล่อยวางทุกวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากระทบกระเทือนได้แล้วแล้วต่อให้เกิดอะไรก็มั่นใจว่าก็จะจะมีสติแล้วก็รับมือแล้วก็วางปล่อยทุกอย่าง ได้อ่ะค่ะก็ขอบพระคุณที่ให้โอกาสแบ่งปันค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อลองพูดแบบนี้ดูเนาะว่าเข้าใจไหมเมื่อกี้มีอยู่ที่บอกว่าเราไม่ทุกข์แล้วตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่ายังมีตัวเราเป็นผู้ไม่ทุกข์แล้วนะตรงนี้มันก็เป็นเป็นความรู้สึกสก็เขาเรียกว่ายินดีเนาะพอใจที่ตัวเราไม่ทุกข์แล้วแต่ตรงนี้ยัง ยังมีความเป็นตัวเราอยู่ยังไงยังไงก็ต้องมีเป็นทุกข์นั่นแหละเพราะว่ายัางมีตัวเราอยู่การที่จะพ้นทุกข์แบบถอนรากถอนโคนเนี่ยมันจะต้องเข้าใจถูกเข้าใจถูกต้องเข้าใจถูกยังไงเข้าใจถูกว่าไอ้ส่วนที่ประกอบกันขึ้นเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยอันนี้มันเป็นสังขารเนาะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงแล้วสังขารเนี่ยมันมีความไม่เที่ยงคือมันจะเปลี่ยนไปนะ สุดท้ายมันแตกสลายหายไปหมดเลยนะก็จะกลายเป็นดินน้ำไฟลมไปเพราะนั้นถ้าจะให้ถอนรากถอนโคนต้องกลับมาเห็นตัวเราผู้ไม่ทุกข์ว่าตัวเราผู้ไม่ทุกข์อันนี้มันมันไม่ใช่เรานะออต้องทำความเข้าใจเลยตอนนี้เข้าใจตอนนี้เลยว่าไอตัวเราผู้ไม่ทุกข์เนี่ยไอตัวเนี้ยมันยังเกิดแก่เจ็บตายได้อยู่เพราะฉะนั้นให้เห็นตัวเราให้แจมแจ้งเลยว่าไอตัวเราทั้งตัวนี่แหละมันเป็นตัวทุกข์เสียเองนะ มันเป็นตัวทุกข์ทุกยังไงทุกมาเพราะความเกิดทุกมาเออมันเป็นตัวทุกข์ยังไงก็คือเป็นตัวทุกข์ตรงที่ว่าเกิดมาแล้วเป็นทุกข์เห็นไหมเกิดมาแล้วจะต้องแก่เกิดมาแล้วจะต้องเจ็บแล้วสุดท้ายจะต้องตายเห็นไหมตัวเรานี่แหละคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นให้เห็นตัวเราเดี๋ยวนี้แล้วก็พึงเพิกถอนหมายความว่าพึงอย่าได้หลงยึด อย่าได้หลงยึดอะ น, นะคือให้มันมีแต่ให้มันมีอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าไม่มีผู้ยึดแล้วเพียงแต่รู้ว่ามีอยู่แต่ไม่มีผู้ยึดตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ว่าเพื่อให้เห็นตัวเราเดี๋ยวนี้ก่อนว่าไอ้ตัวเราผู้ไม่ทุกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันยังเป็นตัวทุกข์แล้วก็รู้จักแล้วแล้วก็ไม่เอาคําว่าไม่เอาก็คือไม่ยึดถือมันจะมีอยู่มันจะแตกสลายยังไงก็ไม่มีผู้ยึด เรียกว่าปฏิบัติเพื่อถอนรากถอนโคนในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็มีอีกการหนึ่งที่หลวงพ่อพอจําได้ก็คือเรื่องก่อนการตั้งใจเอาไว้นะตั้งใจตั้งใจที่จะอะไรนะว่าเกิดมาเนี่ยขอให้พบแต่การยาณมิตรหรือเกิดภายในภาคหน้าขอให้พบการยาณมิตรอันนี้ก็ยังมีตัวเรานะปัจจุบันนี้ยังมีตัวเราอยู่เป็นผู้ขอเป็นผู้ตั้งความหวังสิ่งนั้นเอาไว้หลวงพ่อจะบอกว่าไอ้ตั้งพูดอย่างนั้นตั้งได้ แต่เมื่อตั้งเสร็จแล้วให้เห็นว่าผู้ตั้งเนี่ยก็ยังเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นให้กลับมาเห็นตัวเราในปัจจุบันเนี่ยว่าผู้ตั้งใจก็ยังตายยั ง, ยยงเป็นตัวตายเยมื่อเห็นแล้วรู้จักแล้วก็พึงปล่อยวางปล่อยวางตอนไหนก็ปล่อยวางตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็คือรู้จักตัวเราแล้วและก็ไม่ยึดเหมือนกับรู้จักคนอื่นแต่ก็ไม่ยึดเนาะโยมลองเทียบดูนะเรารู้จักนายกนายขอเนี่ย เราเห็นอยู่รู้อยู่แต่เราก็ไม่เคยยึดถือมาเป็นเรามาเป็นของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตัวเองก็ให้เหมือนกับเห็นคนอื่นว่าตัวเราตัวเนี้ยก็ยึดถือไม่ได้เหมือนกันเพราะมันเป็นตัวตายะเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็ให้วางตอนนี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อพูดแบบนี้ยังสงสัยอะไรอีกไหมไม่คัดไม่เจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ดังนั้นอธิบายหลวงพ่อเข้าใจด้วยว่าเข้าใจว่ายังไงก็คือเข้าใจว่าเราก็เราก็ไม่มีเราไม่มีใครมีเป็นเจ้าของอร่างนี้คือเหมือนกับว่าก็ไม่ต้องไป คือไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปอะไรอะไรใดๆทั้งสิ้นในโลกใบนี้ในสังสารวัตนนี้ในประมาณนี้เจ้าค่ะคื อ, mm hmm. ค, อคือแมแ้แต่กระทั่งตัวเราเองก็ ก, ก็ก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอเจ้าค่ะ mm hmm. ก็คือเป็นแค่คืออันนี้เองไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเข้าใจถูกต้องไหมคือคือเราก็เป็นเหมือนกับมามาอยู่ในร่างนี้เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ที่น่าจะจะหลงเหลืออยู่คือจิต จิตของเราเท่านั้นหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าการเวียนว่ายตายเกิดอะที่ทุกคนก็ต้องพบเจอมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ร่างมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่ที่น่าจะอยู่อยู่ไปนั่นก็คือดวงจิตแต่ถ้าถึงนิพพานการหลุดพ้นเมื่อไหร่อันนั้นอาจจะหมายความว่าไม่มีทั้งกายไม่มีรูปไม่มีจิต ก็คือหมดทุกสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความว่างก็ไม่ทราบว่าเออก็เข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะก็เข้าใจถูกแล้วและแต่เนาะยังมีอีกก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องจิตนะหลวงพ่อก็จะถามว่าใครละ่ะมีความพูดถึงเรื่องจิตเมื่อกี้ว่าจิตเออยังยึดถือเรื่องจิตอยู่เออใครเป็นคนพูดเรื่องจิตว่าจิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยใครพูดละ่ะเจ้าไม่ไม่ ก็ใครพูดตอบตรงนี้ได้ดิเออลองดูหลวงพ่อยังได้ยินเลยมีคนพูดหลวงพ่อก็เลยถามว่าใครพูดอ่ะก็เป็นเสียงเสียงหนึ่งที่พูดกับหลวงพ่อเจ้าค่ะแต่ว่าเสียงนั้นคือใครเอยอืมเสียงนั้นก็คือจริงๆถ้าจะตอบตามแบบปุถุชนปกติก็ก็เอพูดค่ะเจ้าค่ะน้องเพราะนั้นเห็นตัวเองเท่าว่าโยมเอ็กนี่แหละทั้งตัวเนี่ยยึดถือไม่ได้ เห็นเจ้าค่ะไอเรื่องจิตเนี่ยเพราะเราเป็นคนเมื่อกี้เราเนี่ยเป็นแบบหมายถึงว่าโยมเอ็กกำลังพูดถึงเรื่องจิตใช่ไหมว่าจิตเป็นอย่างนั้นยังปล่อยอะไรชื่ว่านี่เนาะแต่ใ<ะ>ห้เห็นตัวเราพู้พูดแล้วก็วางตัวเราวางก็คือไม่ยึดถือเพราะตัวเราเป็นคนพูดเนาะก็เห็นตัวเราเลยแล้วก็แค่นี้แล้วก็วางมันเห็นตัวเองไหมเอ่ยตอนนี้รู้จักเนาะ เจ้าค่ะเออเนี่ยต้องเอากันตรงนี้เลยนะอย่าอย่าอย่าเหมือนกับว่าหลวงพ่อเนี่ยเอาแบบถอนรากถอนโคนเลยให้รู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองแล้วก็วางหมดวางก็คือเพราะว่ายึดถือไม่ได้ไงตัวเองเนะี่ยคือตัวตายเนาะตัวเราทั้งตัวเนี่ยตายเลยตัวเราจะมีความรู้เรื่องอะไรก็ตามตัวเราจะห่วงอะไรก็ตามไอ้สิ่งที่เรามีความรู้ไอ้นั้นเน่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไอ้ตัวเราที่ไปห่วงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดแบบถอนรากถอนคนในปัจจุบันคือให้รู้ตัวเราและก็ยึดคือสิ้นยึดอะคือหมายความว่าไม่หลงยึดอย่างเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทั้งไม่เห็นตัวเราแล้วก็เลยเป็นตัวเราไปเลยตอนนี้หลวงพ่อชี้ให้เห็นตัวเราเมื่อเห็นแล้วก็คือแค่เห็นไม่แค่เห็นเหมือนกับเห็นคนอื่นแล้วก็เออใจไม่ผูกพันฝึกเนี้ยเห็นแล้วก็คือไม่ยึดถือเพราะเหตุว่าเห็นโทษเห็นภัยจากการยึด ถ้ายึดตัวถ้ายึดสังขารเนี่ยยึดขันห้าเนี่ยเราก็เป็นทุกข์กับมันแต่ถ้ารู้จักขันสังขารแล้วเนี่ยหรือว่าเรียกว่าหรือว่าถ้ารู้จักที่เรียกว่าตัวเราแล้วนี่นะไม่ยึดด้วยเหตุที่ว่าถ้ายึดแล้วมันเป็นโทษก็เลยไม่ยึดพอไม่ยึดเนี่ยมันเป็นความหลุดพ้นไปแล้วก็ตัวเราก็ตายตายก็ตายมันก็ตายไปมันต้องตายอยู่แล้วแต่ไม่มีผู้ยึดจึงไม่มีผู้ตายตามไปด้วย ก็เข้าใจเลยเจ้าค่ะหลวงพอ่อเพราะว่าพอพ อ, พอพูดว่าพอเรารู้แล้วเราก็ต้องรีบปล่อยรีบนั่นแหลเนพราะว่าพอเรายึดปุ๊บเนี่ยมันจะมเีเขาเรียกว่าอย่างเช่นไอ้เรื่อง โลภะโทสะโมหะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายมากๆา ก, ากะคะถ้าถ้าเรายึดติดนะคะแล้วก็อันนี้ในมุมมองของของเองนะเจ้าค่ะแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของอคติต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเวลาที่เรายึดอะไรเนี่ยก็ก็มันไอ้พวกนี้มันก็คือเหมือนจะตามมาเป็นแพ็กเกจโดยที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดอ่ะก็คือคือฟังแล้วก็เข้าใจว่ามันยึดอะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็เราก็มองทุกอย่างให้มันเหมือนกับว่า ก็เป็นความว่างเปล่าไปแล้วก็มันก็จะทําให้น่าจะวางใจได้ดีเจ้าค่ะเนาะก็ไปฝึกตรงนี้เนาะไปฝึกเมื่อรู้จักตัวเราแล้วรู้จักแล้วก็อ๋อยึดไม่ได้ยึดแล้วเป็นโทษเป็นภยัยก็เลยได้แต่รู้มันแล้วก็ให้มันก็ทํามากินตามปกติแต่ไม่มีผู้ยึดเออหลุดเลยหลุดพ้นเลยตรงนี้แหละมันเป็นเป็นสุดยอดของธรรมะแล้วก็ไม่อ้อมค้อมด้วยนะถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยปฏิบัติได้ ได้เลยปฏิบัติก็คือรู้ตัวเรานะตัวเรากํ <c oughs> าลังพูดท <c oughs> ี่เนาะอะไรนะดื่มทําพูดคิดเนี่ยนะขณะดื่มก็เห็นไอ้ตัวตัวนี้มันดื่มแต่ก็ไม่ยึดไอ้พู้ดื่มเนา ะ, ะแล้วก็ขณะที่ตัวนี้กําลังทําอะไรกําลังกวาดบ้านถู บ, บ้านซักผ้าหุงข้าวหรือกําลังขับรถอ่ารู้จักมันแต่ก็ไม่ยึดมันอกําลังคิดไอ้ตัวเนี้ก็กําลังคิดอะไรหรอกําลังคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้อ่าแต่รู้จักมันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ไม่ยึดผููคิด นะในนี่หลุดพ้นหมดเลยแล้วก็ดื่มทําพูดคิดอะก็จบแล้วอันนี้ประมาณอย่างเนี้ยเห็นบ่อยเห็นตัวเราเบ่อย<อ>แล้วก็<ช>โอ้โหมันยึดมุ่งได้อตัวเนี้ยคือทำความในใจเอาไวอ้ออันนี้อันนี้เมื่อคือเคยมาเข้าฟังหลวงพ่อแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าจริงๆริงอ่ะคือไม่ต้องไม่ต้องรอว่าโอ้โหต้องนิพพานชาติไหนหรืออะไรหลวงพ่อบอกว่านิพพานได้ทุกเมื่อหลุด เหมือนกับว่าถ้าเข้าใจตรงนี้มันก็นิพนานได้ทุกทุกวันทุกขณะจิตเจ้าค่ะใช่ตรงที่ไม่ยึดนี่แหละรู้แล้วไม่ยึดเนี่ยเป็นนิพพานไปเลยสาธุ เ, เลย เ, เลยจ้าค่ะาสาธุค่ะคุณเอกค่ะ